ซึ่งเป็นผู้หลุดแล้วจากบวงไม่มีอะไรจะหน่วงรังให้พวงย่อมอยู่ในฐานะเป็นสาวกชั้นนําซึ่งจะทำหน้าที่ของพุทธสาวกได้ดีที่สุดบริบูรณ์ที่สุดลักษณะการทากิจการงานของพุทธสาวกนั้นก็มีบ่งชัดอยู่แล้วในคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสย้ำเริ่มต้นแต่ทรงส่งสาวกออกประกาศพระศาสนาในรรษาแรกแห่งพุทธกิจว่าพระหุชนะหิตายะ พระหูชนสุขายะโลกานุกรรมปายะอัตถายะหิตายะสุขายะเทวะมนุษสาหนังคือทำเพื่อประโยชน์สุขของพระหูชนเพื่อเกื้อกาลุนแก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลายความข้อนี้ถือเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของพรหมจรรย์คือพระศาสนานี้เป็นหลักวัดความประพฤติปฏิบัติของภิกษุสาวก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 ในด้านส่วนตัวเพื่อความอยู่สบายในปัจจุบันที่เรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารและในด้านที่เกี่ยวกับผู้อื่นเพื่ออนุเคราะห์ชุมชนที่จะเกิดตามมาภายหลังที่เรียกว่าปัจจิมาชนตานุกรรมปาและเพื่อเป็นแบบอย่างอันดีแก่ชนภายหลังจะได้ถือปฏิบัติตามที่เรียกว่าทิฏฐานุคติเช่นในกรณีที่พระพุทธเจ้าทรงเสพเสนาสนะในราวป่า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 สิกขาบทคือกฎข้อบังคับทางพระวินัยบางข้อซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องของความผิดชั่วร้ายแต่มันหยัดขึ้นเพราะถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมโดยคำหนึ่งถึงชุมชนรุ่นหลังก็มีเช่นเรื่องพระสวดธรรมด้วยทำนองคล้ายเพลงครับพระพุทธเจ้าทรงติเตียนและทรงแสดงโทษหประการนี้คือ1ตนยินดีในเสียงนั้น 2. คนอื่นก็ยินดีในเสียงนั้น 3. ชาวบ้านติเตียน 4. ส, สมาธิของผู้พอใจในการทำเสียงย่อมเสียไป 5. ภิกษุชั้นหลังจะถือเป็นเยี่ยงอย่างดังนี้เป็นต้นรวมความว่าการดำเนินชีวิตของพระอรหันต์ทั้งด้านกิจการงานและความประพฤติส่วนตัวมุ่งเพื่อประโยชน์สุขของประหูชนและคำนึงถึงความเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับชุมชนรุ่นหลัง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 มีขอบเขตกิจกรรมแค่ไหนเพียงใดมีลักษณะการงานที่ทำต่างจากคนสามัญอย่างไรรายละเอียดถึงขั้นนี้ยากที่จะหาได้ครบถ้วนจะต้องเก็บรวบรวมเอาจากเรื่องราวที่กระจายแทรกอยู่กับคำสอนบ้างบทบัญญัติทางพระวินัยบ้างเรื่องเล่าในคัมภีร์ชั้นหลังๆบ้างถึงอย่างนี้ก็ไม่บริบูรณ์เพราะคัมภีร์ทั้งหลายเน้นคำสอนหรือคำอธิบายเนื้อหาธรรมวินยัย แม้เรื่องเล่าต่างๆก็มุ่งที่เกี่ยวกับธรรมวินัยโดยตรงหรือมุ่งสอนธรรมแม้แต่เรื่องเอตตะคะคือระสาวกที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นเลิศในด้านนั้นๆที่พระอัตกถาจารย์ถือเป็นการแต่งตั้งหรือสถาปนาฐานันดอนซึ่งมีรายชื่อพระอรหันต์รวมอยู่มากก็เป็นแต่เพียงการประกาศยกย่องความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของสาวกบางท่านบ้างจุดเด่น หรือข้อแตกต่างพิเศษอันเป็นที่เลื่องลือรู้กันทั่วไปเกี่ยวกับพระสาวกบางท่านซึ่งพระพุทธเจ้าเพียงแต่ทรงยกขึ้นมาตรัสในที่ประชุมบ้างหรือถ้าเป็นเรื่องการปฏิบัติหน้าที่การงานก็มีเฉพาะกรณีที่ทำหน้าที่นั้นได้ดีเด่นยอดเยี่ยมเช่นพระทัพพระมัลระบุตเป็นเอตต ะ, ะคะในบรรดาเสนาสนะปัญญาประกะคือผู้จัดแจงเสนาสนะเป็นต้นแต่ไม่มีผู้เป็นเอตตคะ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 เป็นเพียงเครื่องเสริมการทำกิจนั้นก็ได้นอกจากนั้นยังมีปัญหาเกี่ยวกับความหมายของคำยอกย่องเป็นเอตตะคะนั้นเองบางคาซึ่งยังเข้าใจกันไม่ชัดเจนเพียงพออีกด้วยดังนั้นรายนามเอตตะคะจึงยังไม่ตรงเรื่องพอที่จะแสดงประเภทและขอบเขตงานของพระอราหันต์ได้แต่กระนั้นก็ตามในรายนามเอตตคะเท่าที่มีอยู่นั้นเอง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 การให้การศึกษาแก่ศิษย์เช่นนี้รวมไปถึงการให้ศึกษาแก่สามเณรด้วยดังเช่นพระสารีบุตรซึ่งมีเรื่องราวหลายแห่งแสดงให้เห็นว่าท่านคงมีความสามารถมากในการฝึกอบรมเด็กและคงมีสามเณรอยู่ในความดูแลไม่ใช่น้อยเมื่อพระราหุลจะบวชเป็นสามเณรพระพุทธเจ้าก็ทรงมอบให้พระสารีบุตรเป็นอุปชาสามเณรเล็กอายุ น, น้อยที่เป็นศิษย์พระสารีบุตร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 หลักฐานในเรื่องราวต่างๆเท่าที่ปรากฏในคำภีร์แสดงให้เห็นว่าพระอระหันต์ได้ประพฤติเป็นตัวอย่างในการแสดงความเอาใจใส่รับผิดชอบต่อกิจาการของส่วนรวมและความเคารพสง่์ซึ่งเป็นความสำนึกที่สำคัญในฐานะที่ระบบชุมชนของพระพุทธศาสนาถือสงคือส่วนรวมเป็นใหญ่และพระพุทธเจ้าก็ทรงย้ำอยู่เสมอเกี่ยวกับความพร้อมเพรียงของหมู่ โดยทั้งคำสอนทางธรรมเช่นหลักอปปริหานิยธรรมการถือธรรมเป็นใหญ่และบทปัญญัติทางพระวินัยโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสังฆกรรมต่างๆเรื่องราวที่แสดงว่าพระอาหารหันต์เอาใจใส่และพึงเอาใจใส่รับผิด ช, ชอบต่อกิจการของส่วนรวมและเขารบสงนั้นมีมากมายเช่นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้สงทำอุโบสถสวดปาติโมก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 จักเขารบอุโบสถจงไปทำอุโบสถสังฆกรรมเถิดพระทัพมัลลบทสำเร็จอารัตผลตั้งแต่อายุยังน้อยท่านจึงมาคิดว่าเรานี้เกิดมาอายุเจ็ดปีก็ได้สำเร็จอาราตะผลแล้วสิ่งใดๆที่สาวกจะพึงบรรลุถึงเราก็ได้บรรลุหมดสิ้นแล้วกรณียะที่เราจะต้องทำยิ่งไปกว่านี้ก็ไม่มี หรือกรณียะที่เราทำเสร็จแล้วก็ไม่ต้องกลับมาสั่งสมอีกเราควรช่วยขนขวายงานอะไรของสงดีหนอต่อมาท่านเกิดความคิดว่าเราควรจัดแจงเสนาสนะของสงและจัดแจกอาหารแกสงครั้นแล้วท่านจึงไปกราบทูลความสมัครใจของท่านแก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงประทานสาธุการแล้วให้สงประชุมพิจารณาตกลงกัน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 ทั้งที่ตามปกติท่านเหล่านั้นชอบอยู่สงบในที่วิเวกดังเช่นพระมหากษัะเทระริเริ่มดำเนินการสังขยาาครั้งที่หนึ่งพระยะสะกากันทบุตรพระสัมภูตะสารวาศีและพระเรวัตริเริ่มการสังขยนาครั้งที่สองเป็นต้นในการสังขยาาครั้งที่หนึ่งภายหลังจบการประชุมเสร็จสังฆกรรมในการสังขยนาแล้ว พระเถระที่มาร่วมสังฆทานาได้กล่าวว่าตําหนิพระอานนท์เกี่ยวกับความบกพร่องบางอย่างของท่านในการทําหน้าที่พุทธอุปถากแม้ว่าพระอานนท์จะมีเหตุผลบริบูรณ์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าท่านปฏิบัติหน้าที่โดยไม่บกพร่องแต่ท่านก็ยอมรับคําตำหนิของเหล่าพระเถระโดยได้ชี้แจงเหตุผลเหล่านั้นแก่สงฆ์อย่างชัดเจนเสียก่อนเมื่อพระสงฆ์ประชุมพิจารณาระ ง, งับอธิกรณ ในคราวสังขยนาครั้งที่สองพระอรหันต์สองรูปมาไม่ทันประชุมพระเถระที่ประชุมก็ลงโทษทำทนธนกรรมแก่ทั้งสองท่านโดยการมอบภารกิจบางอย่างให้ทำเมื่อครั้งพระเจ้ามิลินกษัตริย์เชื้อสายกรีกในอินเดียภาคตะวันตกเฉียงเหนือผู้ทรงปรีชาในหลักศาสนาและปรัชญาทรงท้าโตวาทะกับลัทธิศาสนาต่าง ทำให้วงการพระศาสนาสั่นสะเทือนมากพระอาหารหันตเถระประชุมกันพิจารณาหาทางแก้ไขสถานการณ์มีพระอาหารหันตองค์หนึ่งชื่อโรหณนะไปเข้านิโรธสมาบัตเสียที่ภูเขาหิมาลัยยังไม่ทันทราบเรื่องจึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมที่ประชุมก็ส่งทูตไปนิมนต์ท่านมาและลงโทษ ท, ทําำธนกรรมแก่ท่านโดยให้ท่านรับมอภาระ ในการเอาตัวเด็กชายน้าเกษมมาบวชในคมพีสมัยหลังต่อมาอีกก็มีเรื่องเล่าคล้ายกันเช่นเมื่อคราวที่คณะสงฆ์กําลังช่วยอุดหนุนพระเจ้าอโศกมหาราชในการทำรูปบํารุงพระาศาสนาพระอรหันต์ชื่ออุปคุดปลีกตัวไปทําที่สงัดเสวยสุขจากฌานสมาบัตเสียไม่ทราบเรื่องที่ประชุมสงฆ์ก็สงก่สงพระพิสุไปตามท่านมาแล้ว ท, ำทํำธนตกรรมลงโทษท่าน ในข้อที่ท่านไปหาความสบายผู้เดียวไม่อยู่ในสามัคคีสงไม่เคารพสงโดยให้รับภาระดูแลคุ้มกันงานสมโพธิมหาสถูปของพระเจ้าอาโศกมหาราชซึ่งพระอุปคุตก็รับภาระนั้นด้วยความเคารพต่อสงเรื่องราวเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องหลังๆจะมีรายละเอียดท่องแท้แค่ไหนก็ตามแต่ก็เป็นเครื่องแสดงอย่างชัดเจนว่า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 เพื่อพรมจรรย์คือพระศาสนานี้ยั่งยืนดำรงอยู่ชั่วกาลนานเพื่อประโยชน์สุขแก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลาย